171. ตรุณนับปสันนะมหามัตตะวัตถุว่าด้วยมหาอ ม, มาตผู้เลื่อมใสใหม่ 283. คนทั้งหลายทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเข้าต้มและขนมหวานแก่ภิกษุจึงจัดเตรียมข้าวต้มข้นและขนมหวานถวายแต่เช้า พวกภิกษุที่รับประเคหนข้าวต้มข้นและขนมหวานแต่เช้าฉันพัฒนาหารในโรงอาหารไม่ได้ตามต้องการสมัยนั้นมหาอมาตย์คนหนึ่งผู้เลื่อมใสใหม่ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อเจริญกุศลในวันรุ่งขึ้นมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่นั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้ากระนั้น เราพึงตกแต่งสำรับเนื้อ1250ที่เพื่อภิกษุ1250รูปน้อมเข้าไปถวายภิกษุรูปละหนึ่งที่โดยล่วงไปแห่งราตรีนั้นเขาสั่งให้จัดเตรียมของฉันอย่างดีและสำรับเนื้อ1250ที่แล้วให้เจ้าหน้าที่ไปกราบทูลพัตการพระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัฒตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปนิเวศของมหาอามาตผู้เลื่อมใสใหม่นั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เขาได้ประเคนภิกษุในโรงอาหาร พวกภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่ามหาอมาตท่านจงถวายแต่น้อยๆเถิดมหาอมาตกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านอย่ารับเพียงน้อยๆเพราะคิดว่านี่เป็นมหาอามาตผู้เลื่อมใสใหม่ผมจัดเตรียมของไว้เป็นจำนวนมากพร้อมด้วยสำรับเนื้อหนึ่งหที่ จะน้อมเข้าไปถวายภิกษุรูปละหนึ่งที่ท่านโปรดรับให้พอความต้องการเถิดพวกภิกษุกล่าวว่ามหาอมารพวกอาตมารับแต่น้อยไม่ใช่เพราะสาเหตุนั้นแต่พวกอาตมารับประเคหนเข้าต้มข้นและขนมหวานมาแต่เช้าแล้วดังนั้นจึงต้องรับแต่น้อยๆครั้งนั้น มหาอมาตถ์ผู้เลื่อมใสใหม่ตำหนิประนามโพรทนาว่าชะไหนภิกษุที่ผมนิมนต์ไว้จึงฉันเข้าต้มค้นของผู้อื่นเล่าผมไม่สามารถจะถวายให้พอแก่ความต้องการหรือโกรธเสียใจคอยจับผิดได้บรรจุบาทของภิกษุจนเต็มพลางกล่าวว่าพวกท่านจะฉันก็ได้ จะขนเอาไปก็ได้แล้วได้นำของเคี้ยวของฉันอันประนีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัฒตาหารแล้วละพระหัตจากบาทจึงได้นั่งเฝ้าหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้มหาอมาตถุผู้เลื่อมใสใหม่นั้นเห็นชัน ชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีระถาแล้วทรงลุกจากอาสนะสนเสด็จกลับเมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จกลับไม่นานมหาอา ม, มาตผู้เลื่อมใสใหม่นั้นได้มีความกังวลได้มีความร้อนใจว่าไม่ใช่ลาบของเราหนอ เราไม่มีลาบหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอที่ไปโกรธเสียใจคอยจับผิดแล้วบรรจุ บ, บาทของภิกษุจนเต็มพลางกล่าวว่าพวกท่านจะฉันก็ได้จะขนเอาไปก็ได้เราสร้างสมบุญหรือบาปมากกว่ากันหนอ จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้อภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณนที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระราชทานวโรกาสเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับไม่นานข้าพระองค์ได้มีความกังวลได้มีความร้อนใจว่า ไม่ใช่ลาบของเราหนอเราไม่มีลาบหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอที่ไปโกรธเสียใจคอยจับผิดแล้วบรรจุบาทของภิกษุจนเต็มพลางกล่าวว่าพวกท่านจะฉันก็ได้จะขนเอาไปก็ได้เราสร้างสมบูรณ์หรือบาป มากกว่ากันหนอพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์สร้างสมบุญหรือบาปมากกว่ากันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาอมารท่านนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยการให้ที่ล้ำเลิศใดท่านชื่อว่าสร้างสมบุญไวมากเพราะการให้ที่เลิศนั้น ภิกษุแต่ละรูปผู้รับมเมล็ดข้าวสุกแต่ล ะ, มะเมล็ดของท่านล้วนเลิศ ด, ด้วยคุณสมบัติใดท่านจึงเป็นผู้ที่ชื่อว่าสร้างสมบุญไว้มากเพราะภิกษุผู้เลิศ ด, ด้วยคุณสมบัตินั้นสวรรค์เป็นหนทางที่ท่านเริ่มต้นไว้แล้วครั้งนั้นมหาอมาตผู้เริ่มใสใหม่นั้นร่าเริงเบิกบานใจว่า ทราบว่าเป็นราบของเราทราบว่าเราได้ดีแล้วทราบว่าสวรรค์เป็นหนทางที่เราเริ่มต้นไว้แล้วแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทําประทักษิณแล้วกลับไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วทรงสอบถามพวกภิกษุว่า ภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุได้รับนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้วไปฉันเข้าต้มข้นอีกที่หนึ่งจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉไหนโมคะบุรุษเหล่านั้น ได้รับนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้วไปฉันเข้าต้มข้นอีกที่หนึ่งเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทาอย่างนี้มิได้ทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสขึ้นละครั้นทรงตาหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรับนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้ว ไม่พึงไปฉันอีกที่หนึ่งรูปใดพึงฉันพึงถูกปรับอาบัตตามธรรม